คนที่เกิดแล้วเป็นทุกข์มากๆเนี่ยในพุทธศาสนามีพระสิวลีพระสิวลีเนี่ยเราเห็นภาพท่านสะพายบารสะพายกรดนะตมประวัติเนี่ยกล่าวกันว่าพระสิวลีเป็นคนที่คลอดยากอยู่ในท้องมาเจ็ดปีไม่น่าจะถึงป่านนั้นนะความเป็นจริงเนี่ย แต่ตำราเขาอาจจะเขียนเลอะเทอะไปหน่อยตอนเขียนก็ง่วงไปง่วงมาเจ็ดเดือนก็เขียนผิดไปเป็นเจ็ดปีอะไรแบบนี้เขาจริงๆนะคือถ้านานนานครอดอาจจะเลยเจ็ดเดือนแปดเดือนมนุษย์ได้กี่เดือนเก้าเดือนเนาะเก้าเดือนช้างนับ ช้างเนี่ยนับตาหูนับหมาขาหมานับหนะูหมูนับขาหมูสี่เดือนนะแต่หมานี่นับหูขี่เดือนออสองเดือนเดือนเก้าผสมพันธุ์นะมาเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดพอเดือนสิบสองมันก็คลอดแหละนั้นช่วงฤ ด, ดูหนาวเนี่ย เรานั่งผิงไฟอยู่ในเตาไฟเนี่ยมีแต่ลูกหมานะ่ะอยู่ข้างๆใกล้ๆมันคลอดพอดีมันมานั่งด้วยนะข้อจีเข้าจีไปเคี้ยวไปเคี้ยวมาอันไหนอิ่มแล้ก็คลายให้ลูกหมาไปห้ยมันมีความสุขนะนะมีความสุขอยู่ในเตาไฟข้างๆเตาไฟดีกว่าท่านั้งหลายอยู่ในฮีเตอร์ในโน่นในนี้ เดีย๋ยวนี ja, ล้ลงปลา ต, ต้า hey ไปห้างมีเตาไฟเทียมด้วยนะเดี๋ยวนี้เสียบไปฟ้าเข้าไปไฟลุกอยู่ในตู 2. ้นุ่มกว่าปูป่ามุนตาว่าอะไรเนี่ยอมันเหมือนไฟจริงๆน่ะลุกโผรงแต่เข้าไปอยู่ใกล้มันก็อุ่นๆนิดๆหน่อยๆนะมุนตาว่ามีคนบ้าซื้อบงไหมเขามีเขาว่ามีคนบ้าซื้อคือซื้อไปหมดนะเห็นอะไรก็ซื้อ แค่นั้นอันนีน้เพราะอยากมีอันนั้นก็น่าดีอันนี้ก็น่าทำแต่ก่อนรู้ตต่ไม่เคยเชื่อนะบาคนสร้างบ้านดาราสร้างบ้านหลังนี้ร้อยล้านห้าสิบล้านแต่เรนนี้เชื่อนได้หลังเล็กๆนะมันแพงไงหลังนี้ว่านะหัวส้วมสองแสนเนี่ยหัวส้วมสองแสนนะ พอเข้าไปถึงมันมีตัวเส้นเสื้อจะเรืองแสงออกมาเวลานั่งขี้ก็กดเวิตถึงมันก็จะอุ่นอบตูดเรานะ่ะโอ้ยตายนะวะรีบขี่้วก็รีบเดินหนีไปเดินจกกนะูกลมเนม่ยไม่เป็นให้แล้วประตูเข้าอีกละ่ะกกน้ากกน้ำตัวหนึ่งตัวละหมื่นสองหมื่นแปดทำไมไมันจะไม่เป็นล้านไนอะ้ที่มุงลงังกองหลังคาพ ม, าม่านมูรีอะไไป เสร็จสับไม่แต่อ่างล้างเท้ามนุษย์ที่ยังมีรองเท้าเดินเข้าไปในบ้านอีกต่าเป็นคนขนนั่นแหะไปดูเราตาถามดูรองเท้าฝังรองเท้าอะไรเนี่ยห้าร้อยแปดสิบเก้าเดินอยู่ในบ้านน่ะในรองเท้าเดินก็มาทำไมมันสุกกระกเราไปทิ้งไว้นอกมันถนอมรองเท้าถนอมเท้าเขาตีนเนี่ยไม่ให้มันจอดพื้นเลยอ่ะ นั่นพอมันไม่ออกกําลังก็ต้องไปออกกําลังที่ฟิตเนสนั่นแล้วต้องไปทําไปเหยียบนั่นเหยียบนี่เหยียบไม่เหยียบหนึ่งปกติมันเดินอยู่แล้วเห็นไหมหมูหมาโวควายมันเดินโจ้ท็ไม่ไม่มีใส่อะไรมันก็ยังแข็งแรงดีเท้ามันก็หนามันปรับไปเองเป็นสัตว์เท้ากีบเท้าอะไรมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าไม่นวดเท้าไม่ในไม่เดินธรรมดานี่ยนั่นกลัวนั่นกลัวนี่อยู่นะเอาไว้แต่เพื่อความสวยความงามมันไม่ได้ออกกําลังของมันมันก็ยากลําบาก เห็นไหมมาเดินอยู่กล่มนี่ถอดรองเท้าไม่ได้เลยตายเมคนใ ส, ส่ส้นสูงมาถอดรองส้นสูงยังมันจะไม่เป็นโดยเฉพาพวกเตี้ยๆหน่อยนะมันต้องใ ส, ส่ส้นสูงตีนเหยียดขึ้นไปนะเพราะให้คนดูหุ่นกูไงถ้ากูถอดรองเท้าตีนกูแยบลงในหัวกูก็ลงตันตํำมันมีแต่ทำอะไรเพื่อทีเด็ดตัณหาทั้งนั้นนะ ไม่ได้ทำเพื่อดูใจตัวเองไม่ได้ดูภายในผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมคนมาปฏิบัติธรรมเขาตัดผมสั่นลงสั่นลงคนนั้นตัดคนนี้ตัดสบายสบายไม่เห็นมีอะไรอะเมื่อก่อนเป็นความรู้สึกนะมีลงคนหนึ่งมาจะาเชี่ยงหม่นะอาปฏิบัติธรรม เขาเป็นคนหัวล้านมีอยู่กลางกระหม่อมนี่ประมาณสักสิบปอเซ็นนะีะเวลาหวีก็ค่อยๆขยับนะกลัวมันหล่นออกซะโอ้ยเนี่ยถนอมมากยางนู้นนี่เวลาปฏิบัติทําครบเจ็ดวันเขาบอกผมนี่ยุ่งยากนักยุ่งยากนักกับอันย้อยสามชี้เส้นนี่นะยากตลอดต้องค่อยๆทําค่อยๆขยับนั่นนี่กลัวมันหล่นออกนะ พอปฏิบัติทําก็ถอนทิ้งหมดเลยเฮ้ยแม่มึงกูไม่มีก็สบายทิ้งแล้วยากยุ่งยากไรที่นี่สบายใจแต่บายใจปฏิบัติต้องตัดออกผมขนเล็บฟันเหลือห น, นังหัวอยู่ก็พอใช้ได้แล้วพอแล้วยืนเดินนั่งนอนไปนอนไปนี่สบายคนเรามันอย่างเนี้นะเคาว่าอะไรอะไรก็เก็บมาเก็บมาดูทีวีซื้อทุกอย่างมาใส่เพื่อปลูกผมขนเล็บฟันหนังนะ มาได้ยินลงตาเทศด้วยหนึ่งว่าคนอยากให้ขนหัวมันออกเนี่ยเอาน้ำเยี่ยวลูบทุกวันทุกวันกลับไปเขาก็ใส่ทุกวันทุกวันแม้อาจารย์หนี่นที่โรงเรียนที่สุพรรณบุรีหรือที่กรุงเทพนี่ลงตาลงไปเขาหัวไม่นลงตาลงต า, ลงตาที่สุดลงตานะ่ ใหดูผมคือบอกให้เอาน้ำเยวใส่นะทุกวันท้วันมันงอกขึ้นเยอะนะผมนะ เ, นเยอะดวงตาก็เป็นยาผีบอกนะไม่ได้รู้มาจากใครแต่สังเกตดูว่ามันน่าจะใช่นะก็เลยบอกคนบอกพระด้วยบางทีบอกแล้ว ให้เอาน้ำโย่ใส่หัวนะคือสังเกตดูแล้วมันเป็นแบบนั้นนะเขาบอกเขาก็เป็นคนมันทุกขนะผมขนเล็บฟันหนังเนะี่ยฟันเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่เคยเสริมสวยฟันนะยุคนี้ไม่รู้ยังไงมันไม่มีอะไรทําเสริมสวยฟันนะใส่เข็มขัดลัดแบบนั้นแบบกินข้าวก็ลําบากแป้งฟันก็นลําบากนะเอามาจัดใหม่คนหนึ่งยังไม่ต่ำกว่าหนะ้าหมื่นน่ะ เห็นไหมคลอดมันออกมาแล้วยกต้องมาจัดฟันมันอีกห้าหมื่นให้แม่แม่มันทำให้ไปหาหมอไปแล้วขยับนั่นขยับนี่ไปถามว่าจัดฟันให้แล้วนิดใส่มันดีขึ้นไม่ดีเหมือนเดิมฟันมันดีมันยิ่งกินดียิ่งไปน้่นไปนี่วุ่นวายนั่นเอาพออยู่พอได้ถ้าฟันมันงอกมาข้างๆก็ยังจัดหน่อยอันนี้ไม่ เราเน้นเรื่องสังขารร่างกายไม่เคยเอาไปจัดนิ้ัใสลูกส้อทีเคยจัดแต่ฟันมันยากลำบากเรานี่เกิดมานี่ก็ยากแล้วนะยากแต่คนไม่เคยเห็นนะว่าการเกิดยากอยู่ยากก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ยากมัวมายุ่งกับปลายเหตุหตผมขนเล็บฟันหนัง มีพระที่พูดให้ฟังเมือ่อกี้ว่าที่คลอดยากหนึ่งแต่บรรลุทำง่ายในคนเนี้คลอดยากแต่ท่านบอกท่านเกิดยากมากการเกิดเป็นสิ่งที่ยากมากเกิดมาแล้วก็คลอดนี้ก็คลอดยากนะมันไม่มีสัญญากรรมไม่มีการผ่าออกมสมัยนูนนะ้นเวลาออกมาล้วดันตีนมันออกมาข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันอยู่ข้างในนั่นนะ ถ้าเอาหัวออกก็ว่านมันติดตะไหรนะห อ, อยน่ากลัวลุงตาเคยเห็นสมัยรุงตาอยู่ป .2 ไปเรียนหนังสือรุรงตาวิ่งกลับบ้านมากินข้าวที่บ้านอาหารไม่ค่อยมีไม่รู้จะกินยังไงก็กลับมากินข้าวที่บ้านแล้วไปเห็นคนร้องโอ้ยโอยอะไรอย่างนัน มันเป็นอะไรของมันว่ายายเนี่ยพอไปดูแกกําลังออกลูกนะออกลูกแล้วก็ดึงเชือกอยู่นั่งต่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามีเขาก็กบนกุวายอยู่ข้างนอกเราก็ไปดูนึกว่าเขาร้องอะไรดึงเชือกแต่ละทีนี่มัเนเลือดเต็มหนาะเห็นแต่หมอตําแย ก, กําลังดึงคอมันออกมา อัาตมาขาเก้าไม่ออกเลยเหงื่อเต็มหมดเลยตายๆกำลังจิ้มมะขามกับเกลือกินเล่นอยู่นะไม่ได้เลยสันคนได้มาบีบเอาลงตานะมันเกร็งไปหมดอะ่ะตายตายตา ค, คนนี้ยากกว่า น, นี้น้อยนะทั้งร้องทั้งอะไรแต่หลวงพู้สังนะ่งมาค้อดได้เก้าคนอ๋อสั่ง นิมนพระสงฆ์หันหน้ามาทางโยมเราก็นอนพอสมควรแล้วก็หันหน <c oughs> มันเป็นเรื่องอยากมากแต่ น, นี้ปัจจุบันนีแเราก็โอ้ยไม่รู้ จ, วจะวหวยังไง ถ้าคนรู้จักว่าการคลอดมันยากเนี่ยเดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่รู้จักคำว่าคลอดลูกอะว่ายากไ ม, ม่เขาผ่าออกเป็นเรื่องกิเลสตัณหาราคะซะต่ไม่รู้สึกถึงความทุกข์ทรมานพระสิวลีนี่คลอดยากนะต้องดัดต้องดัน เอามือลวงเข้าไปจัดขาใหม่ค่อยๆปัดเขามีเขาจุพริ ก, กอย่างน่้นอย่างนี้โหยากเพราะมันตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ตัวนั้นตัวนี้ตามตำรา บ, บอกว่าบวชตั้งแต่คลอดน ะ, นะพอคลอด พ, ว ด, พวดออกมานี้ก็วิ่งไปบวชเลยนะ ไม่ใช่แบบนั้นนะความจริงคือพระไปเยี่ยมพระไปเยี่ยมพ่อแม่คือนางสุปวาสาเนี่ยเป็นคนเอาใจใส่วัดวาคือมันคลอดยามันนานคลอดพระก็ไปเยี่ยมคนก็เล่าลือไปว่าคลอดยาคลอดยาผู้หญิงนี่หลังจากคลอดได้จะอ้วนนะเพราะอะไร ตื่นอาหารเนี่ยพระองค์ น, นั้นไปเยี่ยมพระองค์ น, นี้นไปเยี่ยมพลอหรือยังยั ง, ยงนดีก็ให้คาถาคาถาคลอดลูกง่ายเนีนยจาไว้นะพวกไหนที่จะคลอดลูกเนาะคาถาพระมุกข์พร ะ, พระองค์กุลิมานคือองคกุลิ ม, มานเนี่ย ใครค็รู้นะน่ากลัวคนวิ่งนีองคุริมาตมาแล้วมาแล้ ว, น, นะวนี่นะวิ่งหนีนะท่านไปบินทบัตนะปรากฏว่าในคนที่วิ่งหนีมีคนหนึ่งตั้งท้องท้องใหญ่แกก็วิ่งกับเขาเหมือนกันนะกลัวองคุริมาเพอวิ่งไปแล้วก็วิ่งรอดลัวเข้าไป ลอดลวกไปมันไปติดอยู่ในรั้วนั่นนะท้องเนี่ยพระองคุริมานก็เดินมาอย่ามาอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้แกกลัวนะแกจะไปก็ไม่ได้ขามันก็ยันขึ้นฟ้าอยู่หัวก็อยู่ทาง น, น้นมันติดนี่ทำไงร้องคนจะมาช่วยก็ไม่ได้เขากลัวพระองคุริมานเนี่ยท่านก็บินตาบาดเดินเข้าไปเดินเขไปน่าจะทําหนังอันนี้ด้วยนะอื ท่านเข้าไปกล้ว่าอย่ากลัวเลยโยเอ้ยอัตมาองคุลิมันไม่มีแล้วตายไปแล้วเดือแต่ภิกษุอหิงส ก, กะผู้ไม่เบียดเบียนนานี่ก็ตาเหลือตาเหลือกงคุลิมา น, นะกั้นใจนะมันคงออกลูกเพราะกั้นใจนะี่ะมั้งท่านก็เดินเข้าไปใกล้ท่านก็เอาเอาบา ใส่น้ำมนต์กองยะโตหังมิคินิอริยายาชาติยาชาโตนาภิสัญจิตจตชีวิตาบรูปรเป ต, ตานะสัจเจนะโสติเตหุโตโสติกปัสสาเปล่าเนี่เอาใส่น้ำมนต์ให้เอาฉันดื่มนะน้องหญิงเขาบอกนะตำรานะของทางก็ไม่เห็น นานนี่ก็ดื่มน้ำม น, นะกลัวก็วกลัวแนละ้วพอดื่มน้ำมนต์ตอนนะั้ลูกนี่ออกมาอย่างง่ายดายดุดปุยนุ่นหนะล่นลงในพื้นก็วบอกำลาบอกบางเบาสบายนะแล้วท่านก็ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าคือคุณนับตั้งแต่วันนั้นนะคนก็นับถือเคารพนับถือองคุลิมานแค่ว่าเป็นมิตรขึ้นมาหน่อยนะ คาถาเนี่ยเด้มาใช้กับพระศิวลีไหมที่คลอดลูกเนี่ยพระศิวลีที่คลอดลูกยากพระองคนั้นก็ไปเยี่ยมองนี้ก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมปุ๊บบางคนก็เอา้าขอรับเขาเป็นลูกในพุทธศาสนาเป็นบุตรบุญธรรมอเหมือนอีสานเราเนี่ยเวลาคลอดลูกก็ลู ก, าากา ม, าามาฝากพระสงฆ์เขาจะบางีเขาม่ฝากตั้งแต่ท้องนะ เขามาฝากคันกับพระสงฆ์น ะ, นะรับฝา ก, กคันพระสงฆ์ั่นหลวงพ่อครับหลวงพ่อขาขอฝากลูกในท้องนะรับเป็นลูกบุญธรรมด้วยนะ เ, นเหมือนพ้าถ้าพระรับเนี่ยเหมือนคุ้มครองนะพูดผีปีศาจไม่เข้าทำลายกูก็ต่อแขนถือว่าเป็นลูกพระลูกบุญธรรม นั่นก็เหมือนกันก็คลอดยากเจ็ดปีนั่นแะะตั้งท้องอยู่เนี่ยคนเล่าลือไปมากมายหลากหลายมันจะท้องแข็งท้องอะไรถ้าปัจจุบันนี้ก็อันต้าสาวดูนะแต่สมมติ ม, ม, ไม่ไมไมีมีใจจับดูมันก็กระดุกกระดิกอยู่เนี่ยมันก่อนมีโยมโทรมาจากโรงบันราชวิธีบอกว่า เอาเอาเมียเข้าไปคลอดลูกแล้วลูกไม่ออกลูกตายลูกมันตายตายไปคือมันมันนิ่งมันไม่อะไรแล้วไปจากบ้านแล้วล่ะก็ไปนั้นเขาก็ใช้ยาขับแต่สามวันสองวันสามวันเขาเฉยนะเขาไม่ได้ดูแล้วก็สามีก็พยายามที่จะขอเขาเยี่ยมแต่โรงพยาบาลห้ามไม่ให้เขาเยี่ยมสามีก็ ห่วงพี่ตกกังวลเ น, นี้ยโทรมาปรึกษาองตาทําทไงเนี่ยเขาไม่เขาเยี่ยมก็ห่วงภรรยาเพราะเขาไม่ทําอะไรเขาใจยาขับลถทำามไม่มีอะไรมันมีลกหุ้มอยู่มันไม่กระเทือนหรอกมันไม่เน่าไม่ตายอะไรมันไม่เน่าแม่อะไรนู้นเขาว่าถ้าลูกตายเขาบอกลูกตา ย, ลยแล้วแต่ ว, ว่าลูกตายก็น่าจะให้แต่ตายแต่ลูกไม่อยากให้แม่มันตายด้วยนี่องตาก็เลยว่าทําใจเถอะ เรามองหาเ ม, มียใหม่ไว้ได้เลยนอ่สบาย อ, อกสบายใจยตอนเนี้ยว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วว่ะทำศพก็สักหมื่นกว่ากว่านี่แหละไม่อยากตอนไหนล็อกไม่อยากเปลี่ยนเมียใหม่แล้วแล้วแต่ผมโอ้ยลุงตาก็พูดเล่นไปเนาะเกวันฮอกูพูดจริงนะเนี่ยนะ <c oughs> แล้วมึงจะไม่เอาใหม่ถ้ามันตายาเนี่ยวะก็คุยไปคุยมา ทำไงได้อ่ะก็โกรธนะก็โกรธโกรธโกรธหมอโกรธอะไร น, นี่เขาไม่ให้เขาไม่เหยียบให้ไปดูหน่อยก็ไม่ได้อ่ะอันยังง้นอย่างนี้นะแล้วก็ถามว่าเขามีระเบียบอะไรหลวงตาเขาไม่ได้เรียนมาทางหมอว่าะนะพอเป็นหรือว่าหมอน้หนมลหมอผีอยั ง, งพอได้อยู่หมอรักษาะระเบียบจรรยาบรรณเขาไม่ค่อยรู้มันก็วันหลวงตานั่งทางในให้ใ ห, หน่อยตุกตายหรือ ย, ยังเฮ้ยนั่งทางในก็เห็นแต่ขี้ในท้องนี่นะว่า มันใช้เราโมดทุกอย่างมนุษย์เนี่ยขอแต่สตา น, นึกว่าทำได้หมดตัวอย่างลนนุงตาเลยว่าไปทำสังฆทานสาวายทานอุทิศให้กับลูกลูกตายแล้วลูกทำบุญดำทานแล้วแม่เขาก็จะปลอดภัยด้วยนะทำสังฆทานยังไงเ็อว่าเอาถังแพง ราคาแพงๆหน่อยนี่ตั้งใจส่วนกุศล น, นะคือให้เขาได้คิดเยอะๆนะมัวคิดแต่เรื่องนี้เยอะๆ่ะไปคิดเรื่องนั้นมากมายว่านั้นว่านี่อยู่กรุงเทพนล้วนะก็ทำเมื่อวานบอกมาว่าออกแล้วลูกออกสองจุดปดปกติไหมคุณหมอ 0.8 2.8 กิโลปกติหน้าตาดีดีบอกนะคือมันเหมือนนอนหลับอะแต่มันตายได้ไงก็ไม่รู้รดูดิการคลอดมันยากนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังจะสนุกสนานเพลิดเพลินหนึ่งไม่มีใครไปรับเป็นลูกนะมันคงไม่ฝากคันนะ่ะ รับนะฝากคันเขาไปตรวจอยู่เรื่อยๆรับฝากพระในป้องกันผีซึ่งผีนี่มันไม่มีผีก็คือความรู้สึกที่ไม่ดีเวลาเกิดน้อนเกิดนี่นนนะเอ้ยไม่มีปัญหาเราฝากหลวงพ่อแล้วคือเป็นจิตวิทย า, าแบบหนึ่งมีพระไปเยี่ยมบ่อยเข้าบ่อยเข้าเขาก็รับนับถือเป็นลูก โอ้ยขอคือเป็นลูกพระเดอ้อทําใจนะองค์นี้กลับไปองค์นั้นกลับไปไปก็คุยด้วยถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงการเกิดเป็นทุกข์แบ น, นั้นแบนี้นี่แม่ในทราบซึ้งนะแม่เนี่ยขณะที่จะคลอดลูกแล้วตั้งครันนานๆคลอดแล้วมันไม่ออกเนี่ยพระไปเยี่ยมบ่อยเข้าไ่อยเข้าเขาเอาใจใส่วัดว่าอาวาสพระสงฆ์ไปเยี่ยมแล้วเทศนาให้ฟังบรรลุโสดาบันนะแม่ดูดิ บรรลุสโสดาบันแม่นะฟังธรรมทุกวันทุกวันเดี๋ยวพระองค์นั้นก็นไปเยี่ยมนึกไปเยี่ยมเขามีพระเป็นญาติมิตรเนี่ยบ้านเรามีพระไปเยี่ยมสักวันมีไหมไม่มีส ม, มนานันจะทัดสนังเห็นผู้สงบจากกีเดจเยี่ยมยามเข้าไปยากลำบากส่วนมากก็มีเต็ีเดีตัญหาสุสนุกสนานเพื่อเพื่อึกกทึกก็อโอมโอ้พระไม่เยี่ยม มีแต่ผีมีแต่เปรมีแต่มานคนไหนมาเยี่ยมก็ถือขวดเหล้าขวดเบียร์มาเยี่ยมเราจบพอดีไม่มีผู้มีสินมีธรรมมาอยเยี่ยมเยียนอันนี้นางสุปวสานี่ได้ดวงตาเห็นธรรมเขาปลงเป็นไงปล่อยวางเป็นปลงเป็นพระศิวลีเนี่ยแม้แต่ตัวน้อยจริงๆนะ ที่ได้ฟังเนี่ยคนนั้นก็เอาใจใส่คนนี้ใส่คนมาเยี่ยมมาเนี่ยพ่อแม่มีสติส ม, มัยแม่จะเลี้ยงลูกดีอ่ะพ่อแม่บรรลุอะไรนะเอสอสวดาบันนะตั้งแต่ยังไม่คลอดลูก น, นนะนั่นเขาก็เลี้ยงลูกเขาเป็นนะ่ะอืตั้งแต่ใ น, นน้อยก็จับมันเอสร้างจังหวะลูกเลยอืเอารู้สึกตัวจับขามันเดินนะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เอาใส่เก้าอี้ใช่ไหมลุงตาเห็นนะใส่เก้าอี้ วางใส่ขอยืแล้วก็ให้เหมือนมันร้อนมันขยับในมือแย่ๆๆ่ไปเอียงลงตาดูลูกเขาดานะโอ้อย่างงี้มันก็ไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็เดินเป็นนะต้องจ้าจ้าไปนี่นะข า, ขาไข่ขยับขาเนี่ยเหมือนลูกบูษสั่งท่านทําเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันก็จะรู้สึกตัวไปพอทําไปมากเข้ามาเข้ า, ข า, ขาจิตมันเด็กมันเริ่มดีอนะจิตเด็กเริ่มดีทําให้รู้สึกตัวอย่าโ ก, กรธนะลูกนะโกรธเป็นทุกข์นะ ด่างวนยิดได้เอทําใจสบายได้ไปเล่นอยู่บ่อยๆคนนั้นก็โอ้ยบักน้อยน้อยจิคขอดยากเลยไหมขอดยากเหลือเกินน้อลูกน้ออันนั้นคนั้นคนนั้นก็มาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมนะนดีนะที่เขาไม่ถ่ายรูปเอาไว้ตอนนั้นคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาทุกอันนั้นก็ทุกอันนี้ก็ทุกคนก็เล่าโอ้ยบอกแล่าไอ้มขอดยากแตะๆได้เจ้านี่ เขาเล่าให้ฟังท่านก็จะสลดใจไปด้วยนะท่านเกิดเป็นคนที่เกิดยากวันนี oh ้แล like, ้วนะเรื days, every day, every day, every talks, y, so ่องสลดหดหัวใจเดี๋ยวแม่ก็พาไปวัดแล้วพระก็ว่าโอ๊ยคนนี้เลยที่คลอดยากนะเน่ยแคฟังทุกวันทุกวันทุกวันนั่นเวลาเจริญสติมันก็ไม่คิดเรื่องอื่นนะเพราะโลกกัทัดมันไม่กว้านมันยังไม่มีบีบีนะมันก็คิดแต่เรื่องเนี้ยเรื่องได้ยินอะไรมันก็เอาคิดแต่เรื่องเนี้ย มันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเดินจุง ก, กลมไปก็กคิดเรื่องนี้เอาไปเอามาก็จิตเริ่มสลดหดหูเข้าอ่ะอท่านพระสายลีบุตรมาเยี่ยมวันที่จะเกิดเหตุเนี่ยมาเยี่ยมมาฉันข้าวที่บ้านส่วนมากเขาจะนิมนต์พระมาฉันข้าวเพื่ออะไรจะได้เทศได้สอนเป็นมงคลกับบ้านเขาะนะคนนั้นคนนี้นะนะ ของเราเดี๋ยวนี้นิมนต์พระมาฉันที่บ้านแต่มาเพื่ออะไรเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่เอาเกจิองนั้นมานี่มาทำ ม, มาได้อะไรไม่ได้ตัตาตัว ต, วตนก็เหมือนเดิมมันไม่ได้อะไรก็ม า, มาเยี่ยมปุ๊ บ, บก็เลยเขาก็เล่าคนนั้นก็ทุกคนนี้ก็ทุกเป็นเรนุนี้แต่ที่มาเยี่ยมนี่ยมาเยี่ยมแม่มันนะส่วนหนึ่งเพราะแม่เป็นคนธรรมะธรรมโมงไง เราพูดมาคุยเขาเป็นลูกเศรษฐีด้วยลูกสาวเศรษฐีคลอดลูกรูกดีก็คุยด้วยอย่างนั้นนะ น, นี่นะพระเที่ยวมาปรากฏว่าคุยไปคุยมาก็โอ้อยาก น, อน้องเอามานี่มานีดยชื่ออะไรนะเด็กคนเนี้ยเออไม่ใช่สิวฟ้านะสิววลี สิวลีนี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของมหาลาบมหาลาบศิวลีในตำราจะมีเยอะมากในพระศาสนาเนี่ยพระสิวลีนี่ไปอยู่ที่ไหนไปกับพระสงฆ์ข้าเจ้าเนี่ยอย่างมีตำราว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไปในที่ธุระกันดานมาไม่รู้จะยังไงท่านเลยว่าจะลืมชวนพระสิวัลีไปด้วยนะพอพระศิวัลีไปเนี่ยคนมาเอาใจใส่มาดูแลมาโนนี่เยอะมากน นั้นอาหารการกินขบฉันนี่เขาก็มาทำบุญทำทานด้วยถ้าประสิวลีไปเนี่ยท่านเป็นคนรูปงามตัวเล็กๆกอดมาใหม่ภาษาลิบุตรว่ามันยากป่านนี้ก็อันนั้นก็ยากอันนี้ก็ ย, ยกนนุ่ยงยากถ้าอยู่ต่อไปอีกก็คงยุ่งยากกับโลกเนี่ยบวชเสไม่ดีเลยคุณโยมสุภาวสษาลูกบวช ด, ดีไหม คุณเจ้าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นหรือเจริญพรนเจริญพรพระสงฆ์เลยเข้าใจว่าเจริญพรเจริญพรเอออายุวนะนะสุขกพละนะนะพระพระจีนเนี่ยเขาจะไหวยโยมไหวกี่มือมือเดียวนะเจริญพรยโยมถ้าไหวพระด้วยกันเขาไหวสองมือถ้าไหวยโยมเนี่ยครึ่งหนึ่งเอาครึ่งบอเจริญพรโยมแต่พระบองค์ท่านก็ไหวนะ ใครให้ของนั่นก็จะไหว้ไหว้ใจตัวเองนะหลวงพ่อเทียนว่าไหว้ใจตัวเองใจเราดีเราต้องไหว้เป็นคนถ้าใจไม่ดีนี่มันมีศักดิ์ศรีไงไหว้ใครไม่เป็นนะะที่จริงไม่ได้ไหว้ใครไหว้ตัวเองถ้าเราเร า, เราทํำนี่เราเป็นการยกย่องเราเองนะ้เนี่ยยกใจออกจากทุกข์ใจที่มีทิฏฐิมานะละข้ า, าตัญหานีนะ่เหมือนเราไม่มีตัวตนไหว้ได้อืมันเหมือนเขาให้อะไรเรา แล้วก็ไห้เขาให้อะไรให้คุณงามความเดี๋ยวนี้คนเอาเป็นนะถ้าเขาสอนเขาสั่งเขาบอกนั้นนี่เราเคารพเขาจริงๆเราเคารพตัวเราแหละเหมือนคนอื่นใ ห, ให้ให้ใจเราสูงขึ้นไงถ้าเราเอาเป็นในใจจะสูงขึ้นถ้าเราทำเป็นถ้าทาไม่เป็นเราคิดว่าเขาเราถูกเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นทับถมอะไรประมาณนั้นก็เลยไม่ได้เลยกูคือกูอะไรมานี้นะพวกอกใหญ่ในส่วนมากมทิฐิมากเดินพึ่ง ไม่ควรนะถ้างั้นก็บวชเนาะแล้วก็ได้ถามว่าสิวรลีบวชไม่หนูบวชไปอยู่กับหลวงลุงนะแต่ก่อนมันอยู่ป่านะอยู่ป่าอยู่ดงเดินที่บินทบาทแต่ละบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมันไม่ใช่ใกล้เ่ มันไม่ได้เออัดแบบนี้อย่าโยมเดี๋ยวนี้บ้านหลังหนึงมันใกล้กันน่ะเนี่ยเราไปบินธบาตมันใกล้แต่ก่อนเหมือนมันเหมือนทางจันทบุรีทางอะไรต่างๆเนี่ยบ้านหลังหนึ่งมันไกลกันเพราะว่าสวนยางปลาเขาไงใช่ไหมมันขั้นอยู่บ้านหลังหนึ่งมันไกลมากเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วเยดี๋ยวนี้มันหมู่บ้านมันใกล้สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแหะแล้วเนรศิวรีนี่จะบินธบาตไหวไหมเนี่ย เอาทีนี้พระสิวลีก็จะบวชละตอนเนี้ยใครเป็นพระ อ, อุปชานะภาษาลีบุตรนะบุชาภาษาลิบุตรจะบวชให้ก็เลยเอาตั้งดีๆเ ด, ดินสลดหดหูใจนะเขาโกลผมเห็นไหมเวลาเราไปประเทศพมานะ่าเห็นเขากลผมนะใบมิดโกนเขาเหมือนดาบไม่ใช่ยินเหล็กเหมือนเรานะ เหมือนหวีนี่จับนี่ก็ถากถักถักถักอะอาเป็นแบบนั้นแหละนี่เหมือนกันไลยโจลดหัวก็โกรก็พอโจลดหัวปุ๊บโกลลงมาเนี่ยเขาพราะว่าเด็กมันสร้างจิหวิบมันรู้สึกตัวมานานเลยแม่เขาก็สอนด้วยอะไรด้วยโกลผมครัง้งหนึง่งตัดกิเลสนะโกลผมก็เจ๊หล่นปุ๊ไป จิตเขาเป็นสมุูตัดผมเหมือนตัดความคิดตัดผมคือตัดธนาอยู่ๆก็สว่างแก้งบรรลุโสดาบันเลยนะนี่เนี่ยโจรสวาระที่สองพอกโนผมครั้งที่สองคือที่แรกเขาก็ตัดก่อนเนาะแล้วก็โกนที่บรรลุสักิทาคามีรั้นที่สามอนาคามีพอกะโนผมเสร็จปุ๊ บ, บกำลังจะห่มผ้าเนี่ย เขาทบนี้บรรลุอรหันตะ์ลเลยนะเนเนี่ยฮันเป็นเนรเนี่ยบรรลุอลหรหันต์ตั้งแต่ตั้งแต่เนน้อยนะู่นแหะเขาหููว่าเขาบวชมาตั้งแต่คลอดแล้วคือพอไปพระก็รับเป็นลูกแล้วตั้งแต่บวชไปบ้านก็นะรับเป็นลูกแรับเป็นลูกเขาเหมือนว่าได้บวชหลวพระว่าตอนนี้น้อยนี่แม่ก็ว่าเอาอย่างเง้ยเลยพระคุณเจ้าถามเขาดูดิเขาจะเอาไหมแม่หนูอยากบวชบวชก็ถามแม่ถามลูกพอไปมาก็บวชเนี่ย พอบวชแค่โกนผมนี่บรรลุแล้วคือสติมันมีอ่ะเพียงแต่มันไม่มันไม่สปาร์กให้มันไม่ตื่นโปรงให้นัานเขาก็บรรลุทำง่ายไหมง่ายอ่ะของเราหวีผมถ้าเกิดหวีอยู่นั่นน่ะจนผมสั่นผมยังก็ไม่รู้มีแต่ตันหาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันผมอันนั้นนีทรงเพิ่งทรงพังเดี๋ยวจะไปใส่สี นะทำไฮไลท์ตรงโน้นตรงนี้โอ้ยอย่างนะีพระนี่ไม่ทำแล้วตั้งแต่สมยัยพุทธกาลมันก็ทำทรงนี้เท่าเดิมนอากหลวง ป, ปู่เป็นบอกเออทรงนี้คือเก่านะว่ดบดตัดทรงใหม่ทรงเก่านะี่แหละก็ยังไม่มีอะไรนะแต่ถ้าพระทำไฮไลท์ไปบินตบาทเนี่ยเฮ้แต่แต่คอนโยมเขาแล้วเนี่ยให้เขาเท่าไหร